ออกเดินทางไปเที่ยวทุดงพอถึงวันที่สองพระอาจารย์ฉันจังหันเสร็จแล้วท่านก็เตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยวทุดงตัวข้าพเจ้ากับพระอีกรูปหนึ่งพักไปอีกสามวันฉันจังหันเสร็จแล้วก็ได้ออกเดินทางไปเวกเจ็ดคืนจึงไปถึงบ้านนามีที่พระอาจารย์ใหญ่ไปพักอยู่ที่แรกนั้นข้าพเจ้าไปถึงไม่ทันพระอาจารย์ ท่าที่เดินทางไปบ้านนาต้องก่อนแล้วตัวข้าพเจ้ากับพระที่ไปด้วยกันพักอยู่บ้านนามีนั้นหกวันพระที่เดินทางไปกับข้าพเจ้านั้นชื่อท่านว่าพระป้องบ้านท่านอยู่จังหวัดนครพนมท่านมีใจศรัทธาท่านอยากออกปฏิบัติเด็ดเดี่ยวไปอย่างไรก็ไม่รู้ท่านจึงพูดให้โยมนําขึ้นไปอยู่ถ้ำข้างเขาตัวข้าพเจ้า ก็ได้ไปแต่งทคำให้ท่านอยู่แล้วตัวเองกลับมาวัดอยู่วัดคนเดียวตัวข้าพเจ้าอยู่วัดบ้านนาหมีนั้นราวสิบกว่าวันวันหนึ่งบ่ายราวสองโมงเห็นจะได้เสือใหญ่มันกัดควายเสียงควายมันร้องอ้าขึ้นบาดหนึง่งขึ้นที่หนึ่งตัวข้าพเจ้าได้ยินเข้าใจว่าเป็นเสียงช้างฝ่ามันร้องข้าพเจ้ากลัวขึ้นบ้าง น, นึกหาทางป้องกันจะนึกเห็น ย่าตีนใช้คาบุมงกุฏิด้านใต้ว่าถ้าช้างมาเราจะไปดึงเอาอย่านั้นจุดไฟไล่มันช้างมันกลัวไฟดอกดังนี้แล้วก็อยู่ทําความเพียรภาวนาพิจารณากายใจตนไปตามพระอาจารย์สอนสั่งที่ตนจำได้มานั้นถึงข้ามพวมืดเข้าหน่อยได้ยินเสียงหมูควายมันโอบอ้อมควายตัวที่ถูกเสือกัดมันยังไม่ตาย ถ้าหมู่มันช่วยรุมเข้าชนเสือเสือมันกลัวกระโดดหนีควายตัวเสือกัดมันจึงไม่ตายหมู่มันจึงรักษาเสือตามมาจะกัดให้ตายเป็นอาหารของมันอีกมือควายประคองควายตัวเสือกัดนั้นมาเดินจากวัดมาที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นเข้าไปบ้านนามีตัวข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นหมู่ช้างฝ่ามากลัวได้วิ่งขึ้นไปบนคติไปนั่งฟังอยู่ พอดีได้ยินเสียงควายมันกลัวกันมันร้องงอกขึ้นบาดหนึ่งขึ้นทีหนึ่งก็พระเจ้าจึงเข้าใจแน่ว่าเป็นหมูควายจึงลงไปเดินจมกรมอีกสมควรแก่กำลังตนแล้วหยุดประนมมือขอรบแก่คุณพระรัตนไพรว่าพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบแล้วเจริญภพวิหารสี่แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลที่ตน ได้ทำความเพียนมาทั้งหลายส่งไปให้แก่สัตวประสาททั้งหลายทุกหมู่เหล่าเสร็จแล้วจึงวางมือลงเดินออกจากทางตรงกลมไปขึ้นคุติเริ่มกลุมชีวรพาสังคาติพาเสร็จแล้วนั่งกุ๊กเขา่ากราบสามหนว่ายพระทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วกราบสามหนนั่งสมาธิต่อเหนื่อยถึงประมาณตีพุ่งหยุดนอน ที่หักสายญาติตื่นเช้าตัวข้าพเจ้าเดินออกบินธรรบาตพอวิดเขตวัดออกไปเห็นรอยเสือใหญ่บันเดินตามซากควายที่มันกัดไม่ตายนั้นมามันเดินตามทางที่ข้าพเจ้าจะไปบินธบัตนั่นเองตัวข้าพเจ้ามีใจกลัวเสืออยู่แล้วเมื่อได้เห็นรอยเสือใจก็ยิ่งมีความกลัวใหญ่ข้าพเจ้ายืนตัวแข็ง ได้ยืนงงอยู่นั้นสักครู่หนึ่งจึงะระลึก ค, คําพระอาจารย์สั่งขึ้นมาได้ว่าเมื่อกลัวให้ะระลึกแผ่เมตตาจิตจึงได้ตั้งใจแผ่เมตตาจิตเสร็จแล้วพระพเจ้าจึงตั้งใจกดตัวฝืนตัวเดินก้าวขาภาวนาไปตามทางที่เสือไปก่อนนั้นเสือเดินไปถึงริมบ้านเขาได้แวะทางเดินเข้าป่าไป ตัวข้าเพาเจ้าเดินตรงตามทางเข้าบ้านพวกโยมใส่บาตรให้เสร็จแล้วข้าเพาเจ้าให้ป้อนพวกโยมมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมารับเอาบาตรนำสงที่วัดเขาเดินก่อนเขาเห็นรอยเสือจึงพูดขึ้นว่าโธรอยเจ้าดงตามซากควายที่มันกัดไม่ได้วานี้มาแค่นี้ตัวข้าเพาเจ้าภาวนาอยู่วัดนั้นองค์เดียวได้เดินกว่า หมู่พระอาจารย์มั่นจึงได้กลับมาหาพระป้องขึ้นไปอยู่ถ้ำที่ลงมากราบท่านพระป้องกับข้าพเจ้าฟังโอวาทท่านพระอาจารย์ไปได้สี่วันท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้ปรารถว่าจะนําอาหารดงออกไปส่งโยมแม่ของท่านได้สั่งข้าพเจ้าว่าให้ภาวนาอยู่ในดงคอยท่าท่านไปก่อนพระป้องก็ลาพระอาจารย์ไปที่วิเวททางจังหวัดเลย พระอาจารย์ก็อนุญาตให้ไปตัวกระเจ้าพอได้ยินเรื่องพระอาจารย์ว่าจะให้ภาวนาอยู่ในดงคอยท่าท่านอยู่องค์เดียวเช่นนั้นกัปปเจ้าเกิดกลัวใหญ่ขนลุกซ่าเหนื่อก็บีบออกมาตามกลุ่มขนเต็มไปเลยนึกในใจว่าเราตายก่อนเสื้อมากัดตัวเราแล้วบาดคราวนี้เราจะทำอย่างไรดีหนอนึกอ ย, อยู่อย่างนี้ไปหน่อยหนึ่ง ก็พอดีพระอาจารย์ถามขึ้นว่าท่านอ่อนได้มีความขัดข้องอะไรบ้างเล่าในการอยู่ในดงไปผู้เดียวนี้ก็พระเจ้าได้โอกาสจึงเรียนท่านว่ากล่าวไม่เห็นมีขัดข้องอะไรมีอยู่แต่กล้ากลัวมากเท่านั้นพระอาจารย์ก็ได้เทศนาปลอบใจได้ให้กลังใจว่าผมไปส่งของส่งอาหารไม่ออกผมแล้วพักอยู่พอหายเหนื่อยสมควรแล้ว ถ้าผมไม่มีขัดข้องจําเป็นอะไรอีกแล้วผมจะกลับมาวิเวศยุติดงกับท่านเร็วดอกท่านเตือนตัวก็รู้อยู่แต่ความกลัวของผมของหัวใจมันไม่หายแล้วท่านก็สั่งให้เลิกตัวข้าเพเจ้าจึงไปพิจารณานอนไม่หลับตลอดคืนเลยตกลงใจแต่เพียงว่าท่านให้เราอยู่ก็ลองทนอยู่ไปดูก่อนถ้าเราไม่อยู่ก็ได้ แต่ว่าตัวเราจักเป็นคนไม่ดีเพราะไม่ฟังคําของครูบาอาจารย์แล้วท่านจะไม่มีแก่ใจสงสารสอนเราเราก็จะไม่พ้นทุกข์กว่านั้นฉะนั้นเราต้องอดใจอยู่ไปก่อนก็พอดีทํากิจวัด ต, ตอนเช้าเสร็จแล้วเตรียมเอาของที่จะลงไปฉันฉังหันศาลาไปตลาดและออกบินทบาทกลับมาวัดฉันฉ้นจังหันเสร็จแล้วไปหน่อยหนึ่ง มองไปทางเข้าวัดมองไปเห็นครูบาพ่อชากับสัมเณรทองฟานเดินเข้าวัดมาหมู่ลูกศิษย์พระอาจารย์ใหญ่และตัวข้าพเจ้าเดินไปรับเครื่องบริขารท่านครูบาพ่อชามาบนศาลาครูบาพ่อชาเข้ากราบพระอาจารย์ใหญ่แล้วพระอาจารย์ท่านถามข่าวท่านว่าท่านพ่อชามาแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนอีกเล่าครูบาพ่อชาตอบท่านว่า ไม่มีมุ่งใจจะไปเที่ยวทางไหนอีกหุ่งใจเข้ามาเที่ยวในดงกรับครูบาอาจารย์เท่านี้พระอาจารย์ใหญ่ท่านจึงว่าดีแล้วฟ้าท่านอ่อนไปเที่ยวด้วยท่านอ่อนว่าท่านกลัวดีแล้วละอ่อนท่านกลัวก็ยังมีท่านพ่อชามาเป็นเพื่อนแล้วแห้ท่านตั้งใจปฏิบัติให้ดีไปกับท่านพ่อชาตัวข้าพเจ้าได้ยินก็ดีใจมากหายกลัวใจมีแรง ใจเย็นวอบวาบลงทันทีเลยเพราะสมควรท่านอาจารย์ได้เลิกตังตัวข้าพเจ้าก็ได้เดินตามท่านพ่อชาตินำบริขารไปกุฏิทำความสะอาด จ, จัดที่นอนถวายท่านเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้กราบท่านขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านเสร็จทุกอย่างแล้วตัวข้าพเจ้าก็ได้กราบลาครูบาพ่อชาตเดินกลับไปกุฏิตนวันหลังพระอาจารย์ใหญ่ฉันจึงหันเสร็จแล้ว ท่านก็ออกเดินทางกลับสันนักบ้านคออำมเภอบ้านถือนำเอาอาหารดงมีหน่อหวายและบุนเป็นต้นไปโยงแม่ของท่านตัวข้าพเจ้ากับครูบาพ่อชาจำมะเนรทองปานพักทำความเพียรอยู่วัดป่าบ้านนามีตำบลสมเยี่ยมอัเภอบ้านถือพออีกพอสมควรแล้วท่านครูบาพ่อชาก็ได้พาเดินไป พักสำนักป่าบ้านนายุง่งภาวนาอยู่บ้านนายุงนี้ซึ่งเป็นบ้านตั้งอยู่สุดหมู่กลางดงเลยไม่มีหมู่บ้านใดต่อไปอีกแล้วฉะนั้นอันตรายทุกอย่างเช่นพวกเสือพวกช้างผีกองกอยผี่มุ่งข้างทั้งหลายเต็มไปเลยพวกโยมผู้ชายในบ้านนายุง่งผู้ใจบุญจึงมาแนะนําคําพูดในการอยู่ในดงการไปการมา เช่นทำงานเอาปืนถ้ามาให้ลากมาเสียงเสือร้องให้ว่าเสียงเจ้าดงร้องเสียงปืนให้ว่าเสียงไม้หักดังนี้เป็นต้นตัวข้าพเจ้าได้ยินเขาสอนให้ว่ารู้ขึ้นว่าเขาสอนให้เราเอาใจออกจากการนับถือพระรัตนตรัยเอาใจไปนับถือผีกับเขาดังนี้อย่าอย่างนั้นเลยเราจะตั้งใจภาวนาไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นหลัก หาควกโยมเขามาพูดถามนามอะไรกับเราเราก็จะพูดกับเขาไปแต่สิ่งที่เป็นธรรมะเป็นวิ่นัยเท่านั้นและก็ขอบคุณโยมที่เขามาบอกให้รู้นั้นแล้วตัวขา้าพเจ้าก็ได้นิ่งเฉยไปเมื่อครูบาพ่อชากับข้าพเจ้าและสัมมนเนรทองปานไปถึงสำนักบ้านป่านายุ่งพักเอาแรงอยู่วันหนึ่งสมมนเนรทองปานได้ชวนข้าพเจ้าไปหาที่ทำร้าน พักรุกขมูลไปตามร่มไม้ในดงป่าทึบนั้นเก้าพรเจ้าก็ไปด้วยเดินลงจากโนนที่พักอยู่แล้วลงห้วยน้อยแห่งหนึ่งแล้วจึงขึ้นไปอีกโนนหนึ่งเห็นหลังโนนนั้นปราบสะอาดดีเ้าพระเจ้ากับสามเณรทองปานก็ต่างพากันชอบใจทั้งเห็นมีร้านเก่าที่พระท่านไปภาวนาอยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งพากันชอบใจมากก้าพเจ้ากับสามเณรทองปาน จึงช่วยกันทําร้านอยู่คนละร้านเสร็จแล้วกลับมาบอกลาครูบาอาจารย์ครูบาพ่อชาท่านก็อนุญาตมีโยมคนหนึ่งแกนั่งคุยกับท่านพ่อชาอยู่แกเห็นข้าพเจ้ากับส ม, มนเณรทองปานจะไปอยู่ภาวนาโดงโน้นแก่จึงบอกว่าให้พากันไปภาวนาให้ดีหนาะพระท่านไปภาวนามาก่อนนั้นเจ้าดงมาเดินรอก และมานั่งเฝ้าอยู่หมดคืนยังรุ่งบางวันะทัดนลุกล้างหน้าตอนเช้าลิ่นน้ำในการเทตากใส่มันจิงค่อยกระโดดหนีก็มีพอขาพ้าพเจ้าได้ยินโยมแก่คนนั้นพูดก็เกิดกลัวหัวใจขา้าพเจ้าส่วนกระด้างไม่อยากไปขึ้นมาเลยแต่อาศัยสัมมเนนทองปานนาไปขา้าพเจ้าก็จำต้องไปตามสั ม, มเนนจึงถามสัมมเนนว่า โยมจะบอกว่าอันตรายหยุดก่อนเราทั้งสองควรไปหรือไ ม, ม่สรรมเนจรหองปานตอบว่าไปละ่ะดังนี้สร้างหาดให้เราเองเป็นผู้กล้าหาญให้หมดความกลัวถ้าเราทั้งสองไปอยู่เห็นอย่างโยมว่าพวกเราจึงกลับมาเสียก็ได้พอสรร ม, มนเนจรว่าอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับธรร ม, มนเนจรจึงได้ไปอยู่กันตอนกลางวัน พออยู่สบายใจดีเมื่อถึงตอนกลางคืนใจมันเกิดกลัวจึงได้หาปืนมาก่อกองไฟใหญ่ไว้ตรงหน้าประตูร้านเพื่อให้เสือกลัวไฟถึงว่าไฟมีอยู่ก็ตามข้าพเจ้าอยังกลัวมากนอนเอาหัวลงใส่หมอนไม่ลงเลยจึงเอาสอกเท้าหมอนเอามือข้าหัวนอนอยู่อย่างนั้นตลอดคืนเพราะกลัวเสือกระโดดมากัดเอาขาหรือตีน วิ่งออกจากร้านไปกินถึงนอนอย่างนั้นก็ได้ตั้งใจภาวนาอยู่ไม่มีใจออกไปจากภาวนาประยึดถืออยู่กับกลัวเลยส่วนนอนก็นอนกลางวันเอาเล็กน้อยแล้วลุกเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเรื่อยราวแปดวันตอนบ่ายพระหนึ่งรูปเนรหนึ่งรูปมาจากพระอาจารย์ใหญ่มหาครูบาโคชา่าว่าพระอาจารย์ใหญ่ให้มานิมนต์สัมมเนรทองปาน ไปรับใบกองเกินที่บ้านเดิมของสัมมนเนนที่อำเภอ ม, มุกดาหารจังหวัดนครพนมเทพเจ้าได้ยินเกิดกลัวใจหายวับว่าแข็งกระด้างขึ้นมาอีกแล้วเทพเจ้าจึงได้ถามพระผู้มานั้นว่าพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของผมให้อยู่ให้ไปอย่างไรบ้างหรือไม่พระท่านบอกว่าพูดเหมือนกันพระอาจารย์พูดว่าสำหรับท่านอ่อน ให้ตั้งใจภาวนาอยู่ในโดมนั้นไปก่อนภาวนาอยู่ผู้เดียวสงบดีอย่าให้อ่อนออกมาเลยพระอาจารย์สั่งผมมาอย่างนี้แหละ้าพระเจ้าได้ยินก็เกิดเสียใจเพราะความกลัวของตัวมันกลัวมากใจจึงเกิดโธมนัดจะเกิดร้องไห้ขึ้นให้ได้เป็นสต่อดใจไว้และนึกรู้ขึ้นมาในใจว่าพระอาจารย์ท่านเป็นผู้รู้ ท่านคงรู้ว่าเราทําความเพียรอยู่ในตรงนี้จะไม่มีภัยเกิดขึ้นในตัวเราเหมือนเรากลัวนี้ท่านเมตตาเราโปรดให้เรามีความกล้าหาญและจะมอบความกล้าหาญอันมีอินเในตัวท่านมอบให้เราแน่นอนละดังนี้พระพเจ้าจึงไม่ถึงกับร้องไาย น, นึกขึ้นในใจว่าเราจําต้องปรับมาอยู่สำนักเดิมให้พวกดวงเขาทําร้านริสมสำนักเดิมให้อยู่ เมื่อเราไปอยู่กุฏิที่เขากลวกไว้แล้วใจเราจะไม่กล้าหาญหายกลัวเลยก็ตรเจ้าจึงบอกพวกโยมทำร้านให้เป็นสองห้องโยมก็ทำให้ดังใจนึกนั้นพวกโยมก็พอใจทำให้จนไปนที่พอใจทุกอย่างคือโยมทำร้านให้เป็นสองห้องห้องหนึ่งสำหรับนอนมีหน้นตาต่างข้างตะวันตกอีกห้องหนึ่งเป็นห้องสำหรับฉันฉันหัน มีไม้เซนคือลูกตั้งมันขวางเพียงอย่างดีหลังคามุมที่ใบไหวบุญฝนตกไม่รัว่วตัวข้าพเจ้าไว้เก็บของมาขึ้นอยู่ร้านข้าพเจ้าตั้งใจปรารถนาความเพียร น, นึกขึ้นในใจว่าเรากลัวตอนกลางคืนเราก็ทําความเพียรกลางวันหมดอย่างข้ามแก้ทําความเพียรกลางคืนเอาเช่นนี้แล้วก็ได้มุ่งหน้าทําความเพียรดังตนนึกอธิษฐานไว้ในใจนั้นไป ตื่นเช้าล้างหน้าแล้วเตรียมตัวคุมผ้าทำวัดเช้าสวดมนตน์อะไรต่ออะไรต่อท้ายเสร็จแล้วจะเริยเมตตาตนเมตตาตัดเสร็จแล้วนั่งสมาธิจนแจ้งเป็นวันใหม่แล้วออกจากนั่งสมาธิลงเดินจงกรมพอไปบินบาตเลิกเดินจงกรมเตรียมตัวไปบินบาตกลับมาฉันจังหันเสร็จแล้วล้างบาทเช็ดแห้งดีแล้วเอาบาทเข้าถลกล้างกา ก, ากรองน้า เช็ดกาแห้งเยแล้วเอาไว้ที่ฉันเข้านั้นลงไปปัดกวาดร้าน่านวัดและทางจกงกรมเสร็จแล้วเอาไม่กวาดไปเก็บไว้ตามที่เขายื่นหัวเงื่อนทางจงกรมกัปปเจ้ายกมือประน ม, มไว้เพียงหอับอกอรึกเคารพพระรัตนตรัยว่าพุทโธโภธธรรมโมสังโฆสามจบอยู่ในใจแล้วรึกเจริญทภวิหารแผ่เมตตาตนแผ่เมตตาสัต เสร็จแล้ววางมือลงเอามือเบื้องซ้ายจับใต้พกพนุงเอามือเบื้องขวาจับมือเบื้องซ้ายดีแล้วเดินเลื่ตาจับรวมทางใจภาวนาน้อมตาน้อมหูเข้าไปดูเข้าไปฟังภาวน า, านิ้ทข้ามกลางอกให้ได้เห็นให้ได้ยินอยู่เป็นนิดใจก็เอารู้จับจดจ่ออยู่กับคําภาวนาไม่ให้มีคิดไปอื่น ก็พเจ้าเดินจงกรมอยู่อย่างนี้แต่ฉันจันหันแล้วก็จนถึงบ่ายห้าโมงเย็นจึงหยุดดังนี้ไปทุกวันเมื่อหยุดจากเดินจงกรมแล้วก็กวาดลานวัดและบนร้านเก็บของไว้ให้เข้าที่ดีเรียบร้อยแล้วออกทุกคือกระป๋องไปตักน้ําส่งน้ําบอกข้างวัดนั้นเสร็จแล้วตักเอาน้ำที่อุมาเทใสโอ่งไว้แล้วเดินจงกรมอีกพอขมืดหน่อยหนึ่ง นึกกลัวขึ้นมาเลยอิกขึ้นนั่งพักที่พอครวรแล้วก็เตรียมตัวไหว้พระมีสวดมนต์ต่อตามพระอาจารย์ใหญ่ต่างจเจริญพุธิหารเสร็จแล้วนั่งสมาธิทาที่ตัวดอดทนต่อความเหนื่อยทำได้แล้วก็พักนอนภาวนาไปสะใจตัวนึกกลัวนอนก็นอนเอาศอกเท้าหมอนเอามือค้ำหัวหันหน้ามาทางห้องฉันข้าวที่มีบันไดากายระวังเจอมันจะขึ้นมากัดตน เมนอนก็นอนหัวเดียวเดินมากกว่ากอุบายอื่นใจก็ไม่มีความสุขเพราะความกลัวตัวข้าพเจ้าก็เกิดชักเหนื่อยขึ้นบ้างจึงนึกพิจารณาหาอุบายแก้ความกลัวให้หายทุกวิธีทางนึกหาอุบายมาแก้ใจควาที่กลัวนั้นหายลงบ้างเดียวก็เกิดขึ้นมาอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้าจึงนึกถึงนิทานเรื่องปราช่อนและกระต่ายขึ้นมาได้นินทานเรื่องนี้มีอยู่ว่า คนคนหนึ่งจับจัดสองอย่างคือปลาและกระตา่ายได้ในวันเดียวกันปลาและกระต่ายมันฉลาดปลาเมื่อมันถูกแผเข้าแล้วมันกระโดดตามแหเข้าทั้งแรงเมื่อตัวเข้าเปาแหแล้วลินไม่หลุดปลามันทําเป็นตายคนผู้หวานแหจับปลานึกว่าปลาตายจับใส่ครุกระต่ายมันวิ่งตามแก้งหรือซินตะข่ายเข้าเต็มแรงรินแรงก็ไม่ขาด แล้วมันทำเป็นตายไม่หายใจคนผู้ได้กระต่ายก็จับขามันหิ้วมาเอาสุ่มครอบไว้บนชานเบลกับปลานั้นสายพอถึงเวลาทําอาหารกินข้าวพ่อผู้ไปได้ปลาและกระต่ายมานั้นก็บอกลูกสาวว่าจงเอาปลาที่ตายแล้วอยู่ในครุไปทํากินลูกสาวก็เข้าใจว่าปลามันตายแล้วดังพ่อว่าก็ไปจับปลาในครุมาวางบนเขียงปลามันรีดนิดหนึ่ง มันก็ตกจากเขียงลงป่องคือช่องลูกสาวก็ลงไปจับเอาเข้าใจว่าปลาตายดังพ่อว่าแล้วจึงว่ามันตกจากเขียงเพราะมันยังไม่ถึงกราวจึงจับเอาไปล้างน้ำหนองใหญ่ติดเรืนบ้านนั้นปราดก็ดิ้นทั้งแรงหลุดมือลูกสาวไปพ้นจากความตายลูกสาวบอกเพ่อ ว, ว่าปลามันยังไม่ตายมันได้หลุดมือไปในน้ําแล้วอย่างนี้ พ่อบอกว่านั้นเอากระต่ายที่ตายแล้วกูเอาสุม่มคอบไว้มาทํากินลูกสาวไปเปิดสุ่มออกกระต่ายลุกยืนขึ้นกระโดดไปพิงหม้อน้ํากิ น, น, กนลูกบอกพ่อว่ากระต่ายมันก็ยังไม่ตายพ่อได้ยินเข้ารีบคว้าดุ้นปืนวิ่งไปฟาดลงใส่กระต่ายกระต่ายกระโดดหนีดุ้นปืนโดนโองน้ําแตกกระต่ายไปทิงไห่ป ร, ราจะแต่แกวิ่งไปตีกระต่าย กระต่ายกระโดดหนีลุ้นปืนถูกไหายปาระราแตกกระต่ายไปแอบอยู่ข้างหมอ้อแกงแต่แกวิ่งไปตามตีกระต่ายกระโดดหนีตีถูกหมอ้อแกงแตกกระต่ายกระโดดไปแอบอยู่ที่หมอ้อนึ่งข้าวแต่แกวิ่งไปตีกระต่ายกระต่ายกระโดดหนีตีถูกหมอ้อนึ่งข้าวแตกกระต่ายกระโดดหนีลงเรือนแล้ววิ่งเข้าป่าห น, นีไปพ้นจากความตายเรื่องเป็นเช่นนี้ ตัวข้าพเจ้าพิจารณาเรื่องปลาและกระต่ายที่เขาจักมาจะจะทำเป็นอาหารกินอยู่แล้วและเมื่อกำไม่เคยฆ่ากันมาก่อนมันก็ยังไม่ถึงที่ตายเราก็จะมาเป็นบ้ากลัวให้มันเป็นทุกตัวอยู่อะไรกันกรรมเราก็เสือจะไม่ได้เคยกระทำกันมาหรือไม่มีเราก็ไม่รู้ถึงมีกรรมเกี่ยวกับเสือเราเคยได้กระทำมันมาเราก็ยังได้ทาความเพียร ปฏิบัติจีิธรรมให้เกิดบุญอันใหญ่อุทิศบุญกุศลไปให้สัตว์ทั้งหลายได้เรียรับผลอยู่แล้วดังนี้เราก็จะทำอย่างไรไปอีกล่าคนเขาฆ่าคนตายพ้อนอซัพลักของกันถ้าผู้เป็นโทษรับสารภาพลั้ตนได้เป็นโทษแล้วยอมรับใช้สิงของที่ตนกระทำแล้วเช้าโจ์ก็ยังโหสิกรรมโทษให้หยุดเอาเรื่องการก็มีเต็มโลกยู่อย่างนี้ เราได้บวชได้ถวายชีวิตในพรอมจรรย์ในพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรานี้เราก็ได้ปฏิบัติสินธรรมความดีเพื่อตนและสัตว์แผ่เมตตาจิตอุทิศผลบุญไว้ให้สัตว์ได้รับทุกทั้วหน้ากรรมเราหลุดพ้นหมดแล้วหละ่ะ